สาเหตุบางก็อยากจะมาทำบุญบางก็อยากจะมาถวายสังฆทานแล้วก็ไม่น้อยก็อยากจะมาสดดอกเคราะห์แต่ว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยมาด้วยเหตุผลอื่นคือมาเพื่อต้องการปฏิบัติเจริญกรรมฐานโดยเพราะสติปัฏฐานพูง่าทว่าเจริญสติ อะไรทาให้เรามาเจริญสตินั้นที่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราก็ต้องใช้เวลาหลายวันไม่เหมือนมาทําบุญมาถวายสังฆทานมาไปเดี๋ยวเดียวก็กลับละแต่นี่พวกเรามาแล้วก็ค้างแรมบางก็อยู่กุฏิบางก็นอนเต็นซึ่ง ยังไงก็ไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่ที่บ้านและการเจริญสติทากรรมฐานนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรือสะดวกสบายเท่าไหร่เป็นสิ่งท้ายๆนะของผู้ค น, นเวลานึกถึงการมาวัดคี่ว่าส่วนใหญ่นะที่มาที่ตั้งใจมาเจริญสติทากรรมฐานเนี่ยก็เพราะว่า มีความเครียดมีความกลัดกลุ่มบางก็มีความเศร้าโศกบางก็รู้สึกเคว้งคว้างอันนี้จะเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็ได้นะที่ผลักดันให้เรามาวัดเพื่อทำกรรมฐานครังนี้ก็หวังว่าเนี่ยมันจะทำให้จิตใจหายรุ่มร้อนนะไม่มีความหนักอกหนักใจ ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ต่างๆหรือพูดรวมๆคือเพื่อหวังความสงบหวังความสงบในจิตใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านพบประสบในช่วงเวลาที่ผ่านมามันทำให้ เกิดความว่าบุญในจิตใจแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราได้พบกับความสงบมันจะชีวิตจะดีกว่านี้มากซึ่งก็นับว่าดีนะเพราะคนเราจนวนไม่น้อยเนี่ยเวลามีความทุกข์มีความเครียดเนี่ยหันไปหาความบันเทิงเริงรมบางทีก็เข้าหา เล่าอบายามุกหวังว่ามันจะดับทุกข์หรือกลบเกลื่อนความทุกข์ได้หรือไม่ก็ไปเที่ยวนะให้มันเพลินจะได้หายเครียดหายกลุ่มแต่หลายคนก็พบว่าอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่คำตอบก่อนที่พวกเราหลายคนจะมาที่นี่นี่ก็คงจะ ทดลองวิธีแบบนั้นมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้ช่วยมีหนำซ้ำเนี่ยอาจจะทำให้ทุกข์กว่าเดิมก็ได้หรือเกิดปัญหาตามมามากมายก็เลยหันมานะให้ความสนใจกับการเจริญสติการทำกรรมฐานเพราะเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดนะความสงบในจิตใจ แต่เมื่อเรามาที่นี่แล้วเนี่ยน ะ, ะก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความสงบนะให้ชัดเจนขึ้นความสงบที่คนส่วนใหญ่หรือพวกเราจำนวนมากเนี่ยเข้าใจเนี่ยแน่นอนนะมันก็หมายถึงความสงบใจนะซึ่ง มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อย่างเดียวสถานที่นะสงบสงัดก็อาจจะช่วยน้อมนำให้จิตใจเกิดความสงบขึ้นมาได้แต่มันก็ไม่น่าเสมอไปนะเพราะว่าหลายคนพอได้ไปอยู่ที่ที่สงบทั้งที่ธรรมชาติก็รื่นรมนะ เย็นสบายแต่ก็ไม่พอความสงบใจเพราะอะไรนะเพราะมันคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาคิดถึงงานการที่ยั ง, ง, งค้างคาคิดถึงปัญหาที่ประสบคิดถึงอุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นแม้ตัวจะอยู่รีสอร์ทหรืออยู่ป่าแต่ว่าใจนี่มันคิดไปถึงงานการคิดไปถึงคนรักครอบครัว ก็ทำให้ว้าวุ่นกลุ่มใจหรือมิฉะนั้นก็คิดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้เศร้าโสกน่าจะอยู่ที่ที่สงบแต่ใจไม่สงบด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงการมาฝึกสติมาฝึกจิตฝึกใจเพื่อทำให้เกิดความสงบภายใน แต่ความสงบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจหรือรู้จักเนี่ยมันมักจะเป็นความสงบที่เกิดจากการที่ตัดการรับรู้นะตัดการรับรู้เช่นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องราวของผู้คนอาจจะพาตัวนะหลบลี้จากครอบครัวจาก การงานจากสำนักงานจากบ้านเพราะว่ามันมีแต่ปัญหาที่ผู้คนมาเล่าให้ฟังหรือว่าต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ทำให้เครียดทำให้กลุ่มไม่รับรู้เสียเลยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะพบกับวกความสงบแต่ว่าบางทีเท่านั้นยังไม่พอนะ เพราะว่าถึงแม้ไม่มีคนมาเล่าให้ฟังไม่มีคนมาระบายให้ได้ยินแต่ใจมันก็ยังคิดโนยคิดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำให้ใจเนี่ยมันหยุดคิดด้วยหลายคนนะเวลาพูดถึงความสงบด้วยการทำกรรมฐานเนี่ยนะก็อาจจะนึกถึงการปลีกตัวนะเดี๋ยวดีจากผู้คนดีดีจาก บ้านจากสำนักงานมาอยู่ผู้เดียวในป่าแล้วทำไมไม่พอนะอก็ไอ้ต้องปิดโทรศัพท์มือถือมันจะได้ไม่ไปรับรู้ปัญหาต่างๆเรื่องราวทั้งจากโซเชียลมีเดียทั้งจากข่าวสารแต่ก็ยังไม่พอนะอ่ไต้องนะปิดตา นะมาเจริญสมาธิปิดตาปิดโทรศัพท์นะปีกตัวมาอยู่คนเดียวปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ได้ยินเสียงเท่านั้นไม่พอน ะ, อะก็จะต้องอบังคับจิตให้มันหยุดคิดด้วยการให้จิตเนี่ยมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือเพ่งอยู่ที่ท้องพองยุบ บางทีมันยังไม่สงบนะก็ต้องหาคำบริกรรมนะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันไม่คิดโน่นคิดนี่ให้มันให้จิตมันผูกติดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างหรือไม่ก็นับหนึ่งถึงสิบอันนี้คือผลทางสู่ความสงบนะที่หลายคนเข้าใจซึ่งเรียกง่ายๆว่าสงบเพราะ ตัดการรับรู้หรือสงบเพราะไม่รู้นะไม่รับรู้ทางตาไม่รับรู้ทางหูนะแล้วก็ไม่ไปรับรู้ทางความคิดก็คือไม่ให้จิตมันคิดนะวิธีนี้อาจจะทําให้เราพบกับวกความสงบแต่มันก็ชั่วคราวนะเพราะว่าพอออกไปเจอ เสียงดังนะออกไปเจ อ, อาภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจหรือว่าที่ขัดอกขัดใจก็อาจจะเกิดความว้าวุ่นอาจจะเกิดความโกรธความหงุดหงิดขึ้นมาได้อย่างที่มนะีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะ ไปเข้าคอสสั้นๆนะกรรมฐ า, านหนึ่งวันก็ไปนั่งทำสมาธิหลับตาตามลมหายใจในห้องที่เย็นสบายพราติดแอร์ทุกคนก็ทำอย่างเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องที่จะมารบกวนไม่มีคนมาเม้าไม่มีคนมานินทาเพราะต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนกัน ทำทั้งวันเนี่ยจิตใจก็สงบนะเพราะว่าไม่ต้องไปรับรู้อะไรไม่มีเสียงมารบกวนส่วนความคิดเนี่ยมันก็ถูกสะกดนะด้วยการที่จิตเนี่ยนะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอาจจะมีความคิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าเล็กน้อยทำเสร็จนะห้าโมงเย็นอ่สบายสงบ ถึงเวลากลับบ้านนะก็เดินไปที่รถนะที่จอดอยู่ปกว่ารถเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่านอกจากมีคันรถจอดซ้อนทา้งข้างหน้าข้างหลังแล้วยังมีจอดซ้อนข้างๆอีกนะพอเห็นภาพอย่างนี้นะโกรธเลยนะโมโหเลยนะตะโกนว่าเลยนะว่าใครมาจอดรถแบบนี้วะ ความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยมันแตกกระจายเลยเพราะว่าได้มาเจอภาพที่หรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่อยากเห็นนะเจอสิ่งที่มันขัดใจแม้กระทั่งคนที่อยู่ ใ, ใกลก้ๆก็ถึงกับประหลดาดใจโอ้นี่เพิ่งเสร็จจากการทำสมาธิทำกรรมฐานนะทำไมถึงโกรธแรงแบบนี้ คนหลายคนเป็นอย่างนี้นะนะเวลามาเข้าคอร์สเวลามาเจริญเจริญสติหรือทําสมาธิเนี่ยใจสงบแต่พอกลับไปบ้านนี่ความสงบนี่มันแตกกระเจิงเลยหรือบางทีเระดับสติแตกบนโน่นบนนี่จกนกระทั่งคนที่บ้านนี่เขารู้เลยนะวันไหนพ่อหรือแม่เนี่ยกลับจากการเข้าคอร์สมาเนี่ยพอจากคอร์สนี่ เตรียมงานเข้าแล้วเพราะว่าจะต้องมีเรื่องบนเรื่องเทศเรื่องว่าคนที่บ้านไอ้เป็นเพราะว่าพูดเสียงดังไอ้เป็นเพราะว่าเปิดเสียงโทรศัพท์ดังหรื อ, อเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีระเบียบพอกลับมาที่บ้านนี่นะไอ้ความสงบที่มีอยู่มันหายไปเลยเพราะอะไรเพราะไปรับรู้เรื่องต่างๆมากมาย อันนี้เราสงบนะเพราะตัดการรับรู้แต่พอไปรับรู้อะไรเข้าเนี่ยมันไม่สงบแล้วมันว้าวุ่นฟุ้งซ่านร้อนรุ่มม น, นีความสงบอีกแบบหนึ่งนะความสงบเพราะรู้นะเพราะรู้หมายถึงตาก็เห็นรูปหูได้ยินเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงรถยนต์เสียงดินทาแต่ใจก็สงบได้ เพราะอะไรนะเพราะว่ารู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมามันมีมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นมันมีความหงุดงก็รู้มันมีความคิดที่ผุดขึ้นมาก็เห็นไม่ปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์นั้นครอบงำคนหลายคนเข้าใจว่าเนี่นจยจะสงบได้มันต้องไม่มีความคิดนะหรือว่าต้องไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นที่จริงไม่ใช่นะ เราสามารถจะสงบได้แม้จะมีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าความคิดเ่านั้นเนี่ยมันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่ารู้ทันรู้ทันได้เพราะอะไรเพราะมีสตินะมีสติสตินี่มันเหมือนตาในที่ทำให้รู้หรือเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักนะความสงบชนิดนี้บ้างนะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีการรับรู้การได้เห็นได้ยินโดยเพราะถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในาทางโลกที่จริงแม้กระทั่งนักบวชเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะการได้ยินการได้เห็นทั้งที่เรื่องที่ชวนให้หน่ายินดีหรือเรื่องที่ชวนให้ยินร้ายน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็แล้วแต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ไม่มีเสียงมากระทบไม่มีรูปมากระทบไม่มีอะไรไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันหรือว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะต่อเสียงที่มากระทบหรือความคิดที่ผุดขึ้นมา คนเรานี่ถ้าไปคิดว่ามีความคิดแล้วเนี่ยมันจะต้องฟุ้งเสมอไปเนี่ยหรือว่าไม่สงบเนี่ยไม่ถูกนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดมากกว่าที่นี้เรามาเรามาเจริญสติเพื่อเห็นเนี่ยนะเจริญสติเพื่อที่เราจะได้รู้จักความสงบชนิดเนี่ยสงบเพราะรู้คือแม้จะรู้ แม้จะเห็นแม่จะได้ยินแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมไม่ว้าวุ่นเพราะอะไรเพราะรู้ทันนะความคิดที่เกิดขึ้นเพราะรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏเรารู้ได้เพราะอะไรเพราะ ม, มีสตินี่คือเหตุผลที่เรามาเจริญสติกันนะและเพราะเหตนี้เนี่ยการวิรูปแบบของการปฏิบัติที่นี่เนี่ยจึงไม่มีการปิดตานะแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆ น, นะเปิดตา แล้วก็เคลื่อนไหวนะมีการเดินจงกรมมีการสร้างจังหวะหรือการยกมือนะคนหลายคนไม่ข้อใจว่าทำไมไม่ปิดตานะทำไมไม่อยู่นิ่งๆ น, นะเพราะว่าเราต้องการเจริญสติและสร้างความรู้สึกตัวเราไม่ต้องการนะที่จะให้เกิดความสงบเพราะไม่รับรู้เพราะไม่ได้ยินเพราะไม่เห็น แต่ว่าต้องการให้เกิดความรู้ทันความคิดและอารมณ์รวมทั้งสิ่งต่างๆที่มากระทบด้วยการมีสติด้วยการมีความรู้สึกตัวมันทําได้นะและถ้าเราจเจริญสตินะเรามาเห็นความคิดเราจะเห็นอารมณ์หรือว่าเรารู้จักจิตใจของเราดีขึ้นเราจะพบว่าสิ่งที่มากระทบเราเนี่ย ไม่ว่าทางตาทางหูเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความไม่สงบเนี่ยเกิดจากการที่เราวางจิตไม่ถูกต้องต่อสิ่งที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่กระทบหูหรือว่าภาพที่มากระทบตาสมัยที่หลงพชา น, นะท่านยังแข็งแรงอยู่เนี่ย ท่านมีปีหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษนะก็มีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยตามท่านไปด้วยเป็นคณะคณะเล็กๆสามสรูป เ, เจ้าภาพซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็ให้ท่านพำนักท่านท่านและคณะนี้พำนักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอ น, ดอนบอกว่าใกล้ๆเนี่ยมันมีถ้ำมีบา กังคืนเนี่ยนะก็มีการร้องรำทำเพลงเล่นดนตรีกันสมัยนั้นคือเมื่อส0ิปีที่แล้วเนี่ยดิสโก้เนี่ยนะเริ่มจะเป็นที่นิยมนะมันก็เสียงกระหึ่มเลยนะเพลงดิสโก้เนี่ยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเนี่ยพาพาละโยมเนี่ยนั่งสมาธิระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยพาละโยมหลายคนนี่ก็ งุดหงิดมากเลยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงดนตรีมันเข้ามารบกวนบางคนก็นั่งไปเป็นสุขเลยแต่หลวง่าชาที่ท่านนั่งสงบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จนะโยมเนี่ยซึ่งก็คงเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มามาหาหลวงพ่อชาแล้วก็มาขอโทษขอโพยขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวน ก, การนั่งสมาธิ หลวงพ่ชาตนยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหาที่ไปรบกวนเสียงดนตรีท่านผูดเนี่ยไม่ได้เป็นสำนวนนะแต่มันเป็นความจริงนะท่านกำลงังบอกว่าเนี่ยที่เราทุกข์ที่เราหงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าใจเราเนี่ยไปทะเลาะบบาแ้งกับเสียงเสียงมันไม่ได้สร้างปัญหากับเราแต่ใจที่มันไปผักใสไปทะเลาะ ก, กับเสียงนั่นแหละนะ ที่มันถ้ไม่เกิดความทุกข์แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะไม่เข้าใจเป็นเพราะไม่เห็นใจของตัวเองเนี่ยก็ไปโทษเสียงนะว่าเสียงมันทำให้ไม่สงบเสียงทำให้วุ่นวายแต่ถ้ามาดูใจเนี่ยก็จะเห็นนะว่าไอ้ตัวการที่ทำให้ทุกข์เนี่ยก็คือความรู้สึกลบหรือการไปผักสายเสียงนั้นแล้วหลายคนทำโดยไม่รู้ตัว ทมโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดความไม่สงบความว่าวุ่นก็เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสตินะไม่มีสติที่จะมาเห็นอาการของจิตที่มันเป็นตัวการให้เกิดทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความสงบแต่ถ้าเกิดว่ามีสติน ะ, ะนก็จะรู้เลยนะว่าโอ้เนี่ยใจเรากาลังไปทะเลาะ ก, กับเสียงแล้ว พอเห็นเท่านั้นนะใจมันก็หยุดทะเลาะเลยนะจากเดิมนี่มันผักใสเสียงนะั้นมันก็หยุดเลยจิตมันจะเริ่มทำตัวเป็นกลางหรือวางใจเป็นกลางนะต่อเสียงที่มากระทบพอวางใจเป็นกลางต่อเสียงนะมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่หมุดหมิดลวที่ทำก็ได้เพราะมีสตินะเพราะมีความรู้ตัวนะมีสติเห็นว่า อาการของจิตที่มันไปผักสายที่มันไปทะเลาะกับเสียงเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ทให้เกิดความร้อนรุ่มแล้วขณะที่ผักสายเสียงนั้นก็กลับไปยึดติดเสียงนั้นมันก็แปลกนะยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจอ่อนะไม่ว่าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยใจก็ยิ่งจดจ่อสิ่งนั้นเวลามือเราเนี่ยหรือนิ้วเราเนี่ยถูกิถูกกลิ่นไปสัมผัสกลิ่นที่มันเหม็นนะ น้ำปลาหรือว่าปลาล้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหม็นนะเราไม่ชอบกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอานิ้วนั้นมาดมยิ่งเหม็นนะยิ่งเอานิ้วมาดมแม้จะล้างมือล้างนิ้วเสร็จแล้วก็เอานิ้วมาดมยิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งดมกลิ่นนั้นแล้วเราก็ทำโดยไม่รู้ตัวนะเพราะขาดสติ นี่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเราก็จะเห็นนะอาการของใจที่มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะและสติมันช่วยทำช่วยทำให้ใจเนี่ยมันเป็นกลางต่อเสียงที่มากระทบและไม่ใช่เสียงนะจากภายนอกนะไอเสียงภายในหัวของเราเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาแต่เป็นเพราะใจเราไปผักใส่นะเสียงภายใน ไปทะเลาะกับเสียงภายในหรือไปไปสู้รบต่อเมื่อความคิดที่มันผุดขึ้นมาไอตอนที่ไม่ปฏิบัตินะก็คิดอะไรก็ตามความคิดไปเรื่อยเปื่อยนั่นก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่พอเริ่มจะมาปฏิบัติเนี่ยจะตั้งท่านะต่อสู้ผักใสเสียงในหัวหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ แล้ในการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยซึ่งปฏิบัติตามหลวงวิเทียนเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะห้ามความคิดนะหลวง่ิเทียนท่านย้ำอยู่เสมอนะว่าอย่าไปห้ามคิดท่านถึงก็บ่าวว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะให้มันคิดไปใจจะไปหาเรื่องคิดนะให้มันคิดไปใจมันนะมันก็มีหน้าที่คิดแต่ว่าแทนที่มันคิดแล้ว เราจะปล่อยใจหลงไปตามความคิดแล้วกลับมาดูความคิดด้วยวิธีนี้แล้วนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งรู้คือรู้ทันความคิดนะรู้ว่าเนี่ยนี่เผลอคิดไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันรู้ทันได้น้อยนะเช่นคิดไปร้อยเรื่องก็อาจจะรู้ทันแค่สิบเรื่องที่เหลือที่เหลือนี่ก็หมดเนื่อหมดตัวแบบความคิดแต่พอมันคิดบ่อยๆเนี่ย จากเดิมที่รู้ทัน 10% ก็เพิ่มเป็น 20% เพิ่มเป็น 30% 40% มันจะรู้ทันได้ไวขึ้นมากขึ้นทีขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความคิดเป็นคู่ซ้อมให้กับสตินะยิ่งมีคู่ซ้อมมากเท่าไหร่เนี่ยนะสติก็จะเข้มแข็งนะรวดเร็วปรับเปรียวมากท่านั้นแต่เมื่อต้องปฏิบัติให้ถูกนะเพราะว่า ถ้าปฏิบัติไม่ถูเนี่ยใจยมันก็จะปล่อยไหลไปตามความคิดยิ่งหลงก็ไปใหญ่นั้นการที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดได้เนี่ยต้องเริ่มต้นโดยจากการที่มีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวนะท่านใช้คําว่าให้รู้กายก่อนรู้กายคือว่านะเวลาเวลาทําอะไรเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ให้รู้ว่ากําลังเดิน นะกําลังสร้างจังหวะบางทีมันเผลอไปนะเดินก็เดินไปฟรีๆเดินไม่รู้ไม่รู้เนื้อ ร, รู้ตัวเพราะใจมันลอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เหมือนกับเราสวดมนต์น่ยเมื่อสักครู่เนี่ยปากว่าไปแต่ใจไม่รู้ลอยไปไหนแต่สักพักเนี่ยสติมันจะเตือนให้เรารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่สติทําให้เราเราเราู้ได้ว่าลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือสติที่เรา มุ่งที่จะฝึกให้เกิดขึ้นบ่อยๆปกติเนี่ยเวลาเราเรารึกได้เนี่ยเรามักจะเรารึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นเราลึกได้ประมดเช้ากินข้าวกับอะไรนะเราลึกได้ว่าเนี่ยก่อนที่เราจอกจากบ้านเราพูดจาเราพูดคุยกับพ่อแม่เราพูดคุยกับลูกอะไรบ้างนะถ้าเราเราลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว เ, เ, น, วนะเวนี่นน ย, ยนะ น, น, น, นั่นคือเรามีสติตหรือเราใช้สติ ตสติที่เราพูดถึงที่เรากําลังฝึกในที่นี้เนี่ยคือสติที่ทําให้เราเราลึกได้ว่ากําลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันซึ่งสติแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะขาดกันนะเดินตรงกลมก็ลืมไปเนอะไปเลยนะว่ากําลังเดินเพราะใจมันลอยมาทีนั่งฟังอยู่เนี่ยแต่ก็ลืมไปแล้วว่ากําลังนั่งฟังอยู่นะเพราะใจมันคิดถึงงานคิดถึงลูกคิดถึง พ่อแม่คิดถึงแฟนแต่สักพักเนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่มาเตือนให้เราเระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะ น, นี้กำลังเดินกำลังฟังธรรมะนั่นคือสตินะและใหม่ๆ ม, มันจะมาช้านะกว่าจะมาช้ากว่าจะมานี่ใจลอยไปไม่รู้กี่เรื่องกี่ลาวไปแล้วแต่ต่อไปเนี่ยนะเราจะระลึกได้ไวแล ใหม่ๆเนี่ยมันจะลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กายกําลังทําอะไรอยู่กายกำลังเดินกายกำลังนั่งกายกําลังยกมืออันนี้เรารู้กายครับนะจะเรียว่าเห็นกายก็ได้แต่ต่อไปนะสติมันจะไวถึงขั้นว่ารู้ใจคือรู้ว่ากําลังเผลอคิดเรื่องอะไรนะมันเห็นความคิดเลยนะสติเนี่ยโดยเพราะสติที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติเนี่ย มันจะไม่เพียงแต่ทำให้เราลึกได้กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันแต่ยังเป็นเสมือนตาไหนที่ทำให้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพอเห็นแล้วนะมันไม่เข้าไปเป็นนะมันมันสลัดมันวางเลยมันเป็นเหมือนทั้งตาในที่ทำให้ไม่สลําเข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ผักสายความคิดอันนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดความสงบนะสงบเพราะรู้คือรู้ทันความคิดนะ รู้ทันอารมณ์และรู้เนี่ยมันจะวางรู้แล้วมันจะหลุดจากความคิดแลอารมณ์เพราะฉะนั้นคิดความคิดมันก็ทำอะไรไม่ได้แัะนมีความคิดแต่ใจก็ยังสงบเพราะว่าใจไม่หลงเข้าไปในความคิดมันจะคิดเกี่เรื่องกีฬาก็ไม่หลุดเข้าไปในความคิดมันสามารถจะปล่อยมันจะวางได้เพราะว่ามีสติและความรู้สึกตัวนะอันนี้แหละนะที่เรียกว่าสติสงบเพราะรู้นะ พอ ร, รู้แล้วทำให้เกิดการวางพอวางแล้วมันก็สงบมันก็เบานย่ที่เรามาฝึกนะกันแบบนีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเวลาเดินเนี่ยในะเวลาสร้างจังหวะก็จะไม่หลับตานะเปิดตานะไม่กลัวที่จะรับรู้อะไรเวลาเสียงมากระทบหูก็ไม่ปฏิเสธเสียงนั้นนะสามารถที่จะเดินแม้ว่าจะมีคน อยู่รอบๆบข้างนะและต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่ไปห้ามความคิดนะความคิดจะคิดก็คิดไปนะแต่ว่าไม่ไปทำอะไรกับมันนะไม่ไปเพลินกับมันแล้วก็ไม่สู้ลบตบมือกับมันแทนที่จะเพ่งก็ไม่เพ่งแทนที่จะห้ามจิตก็ไม่ห้ามให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแลถือว่ามันเป็นสิ่งมาฝึกสติของเราเนี่ยให้ ว่องไวปราดเปลี่ยมากขึ้นอัย็นนี้พุทธนี้นะเอาการาบพระ